ก็ความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมพระโกยิณในวันนี้เราคงเป็นการพูดถึงเรื่องของทานที่ทรงแสดงจำแนกไว้โดยในญาติต่างๆแต่ว่าเมื่อเรากล่าวโดยเนื้อหาสาระแล้วก็คือการลดละความโลภความโกรธความหลงนั่นเองเพียงแต่ว่า เป็นรูายวิธีในการสื่อสารสั่งสอนบุคคลซึ่งมีพื้นฐานชนิตอัตยาศัยแตกต่างกันทางข้อต่อไปนั้นก็จำแนกเป็นสามประเภทได้แก่วัตถุทา น, นการบริจาคทรัพย์สมบัติต่างๆตลอดถึงบุตธธิดาปัญญา แล้วก็อวัยวะตลอดถึงชีวิตนะคราทานพวกนี้แสดงเป็นสามระดับใหญ่ๆก็เรียกว่าทานนบารมีคือบริจาควัตถุธรรมดาธรรมดาทานะอปบา ร, รมีบริจาคอวัยวะแล้วก็บุติดาและฐานปรมัตบารมีก็คือบริจาชีวิตไปเลย ตรงนี้เป็นการกระจัดความโลภ ก, กับความหลงเป็นประการสำคัญแต่ว่าสิ่งที่บริจาคยิ่งประนี่ขึ้นไปเท่าไหร่นั้นแสดงถึงว่าโมหะมันลดลงไปมากแลนั้นแล้วความผูกพันความเยื่อใหญ่ในร่างกายในชีวิตในอวัยวะของตัวเองก็จะน้อยลงโดยลำดำับ จนถึงจุดหนึ่งนั้นเห็นคุณค่าของการให้ทานมากกว่าชีวิตเพราะถ้าเรามองกันในแง่ความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นคือชีวิตนั้นเรารักษาไว้ได้จากเกิดถึงตายแต่ น, นั่นเองพอตายแล้วก็จบสิ้นกันสังค า, าด้านกายมันก็คือสภาพดินสู่ดินน้ำสู่น้ำลมสู่ลมไฟสู่ไ ฟ, ไฟอากาศสู่อากาศ แต่ว่าเจตานาเป็นเหตุให้บริจาคนั้นมันเป็นอุปการะต่อชีวิตเป็นประเภทที่พูดไว้ในวันก่อนว่าวัตตะนิสิตาทานคือทานประเภทที่ตกแต่งพบชาติให้มีความประณีตยิ่งขึ้นไปผมก็นำไปบังเกิดในสุคติตามหลักการของกุศลและธรรมที่ทรงใช้คำว่าเบื้องหน้าตื่ตายประกายแตกย่อม้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ประการต่อไปอภัยทานได้แก่การช่วยเหลือชีวิตคนและสัตว์ตลอดถึงไม่ถือสาหาความจากความข้าวร้าวความรุนแรงที่บุคคลอื่นขอกระทมต่อตนและช่วยคนช่วยสัตว์ใด้หลุดพ้นจากภัยจา ก, จากอันตรายหรือว่ามีการป้องกันแม่เกิดภัยแม่แม่เกิดอันตรายแก่คนแก่สัตว์เช่นเขอภัยทานในวัดวารามต่าง เราเห็นว่าตรงนี้เน้นไปที่การละโทสะกับโมหะนี่เป็นหลักเพรตามปกติแล้วคนเราถ้าโกรธแล้วก็มักจะทําอะไรไปด้วยความรุนแรงตามแรงผลักดันของโทสะเมื่อเรามองคนอื่นด้วยความเมตตาความวังดีได้เนี่ยโอกาสที่จะช่วยเหลือโอกาสที่จะป้องกันโอกาสที่จะกระจัดนันตราย ไม่เกิดขึ้นแก่คนกษัตริย์ก็เกิดขึ้นได้ง่ายดังนั้นแนวพยทานจึงมีผลเมียในสงมากกว่าวัตถุทานเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อรวัดจากลักษณะของกิเลสเนะกิเลสประเภทโลภะนั้นมีโทษน้อยแล้วก็คลายชา้าเพราะการให้วัตถุทานมันก็เป็นการละกิเลสประเภทโลภากับโมหะ พอมาถึงอภัยทานมันก็ลดกิเลสประเภทโทสะกับโมหกิเลสประเภทโทสะนั้นมีโทษมากแต่ว่าคลายได้เร็วผการปฏิบัติที่ลดโทสะได้ก็แสดงว่ามีผลเมีนิสงมากและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเป็นอาการของเมตตานะครับเป็นอาการของเมตตาที่ มุ่งปรารถนาะที่จะเห็นคนอื่นสัตว์อื่นอยู่ร่วมกันโดยไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทัส้ายกันให้แต่ละชีวิตอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนถึงลักษณะของเมตานั้นได้ทรงสแสดงไว้ว่าเมตตาเจโตวิมุตตคือจิตหลุดพ้นจากอำนาจของโทสะพยาบาทด้วยพลังของเมตตาแม้บุคคลให้บังเกิดขึ้น ชั่วลัดนิ้วมือเดียวคือแบบเดียวมันก็เป็นธรรมที่มีผลมีนิสงมากไม่ต้องกล่าวทั้งการกระทำให้มากหรอกราการต่อไปก็คือธรรมทานแตก่กการบอกกล่าวการชีน้แนะการอบรมการสั่งสอนการตักเตือนการให้สติโดยรูปแบบต่างๆนะฮะแต่ว่าทำด้วยกุศลและเจตนา เป็นการมุ่งอนุเคราะห์ต่อบุคคลอื่นเป็นประการสำคัญในการแสดงธรรมนั้นบึงสังเกตว่าจะแสดงอะไรแสดงแก่ใครแสดงอย่างไรแสดงเพื่ออะไรแสดงไปแล้วเขาได้รับประโยชน์อย่างไรผลมุ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่เขาเป็นประการสำคัญแต่ทามทั้งหมดนั้นเป็นแนวอภิบาลแนวช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่นทั้งหมด ทั้งวัตถุฐานทั้งอภิญฐานทั้งธรรมฐานเพียงแต่ว่าธรรมทานนั้นมันเป็นขจัดโมหะภายในใจของผู้สแสดงด้วยแล้วก็จัดโมหะภายในใจของผู้ฟังด้วยในขณะเดียวกันถ้าเราเกลียดข่าวเนี่ยเราก็ไม่สอนเราก็ไม่พูดด้วยแต่ถ้าเราหวงวิจาความรู้เราก็ไม่บอกไม่บอกไม่กล่าวเพราะในการที่ บุคณลให้ธรรมะเป็นฐานจึงเป็นการขจัดทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งโมหะเอาไปจากใจของผู้ให้และใจของผู้รับนั้นก็ได้ขจัดโมหะแต่ในขณะเดียวกันผู้ฟังก็เหมือนกันแต่เราลองสังเกตดูให้ดีว่าถ้าเราเกลียดเขาเราก็ไม่ฟังเราจะต้องมีความรู้สึกเป็นมิตรต่อเขามีความเคารพนับถือศรัทธาเติร์ทูลยิ่งรู้สึกสูงเท่าไร ย, ยิ่งดี แต่ถ้ารู้สึกต่ำแล้วก็จะไม่ดีเพราะว่าการฟังนั้นจะไม่มีความเคารพแม้แต่ว่าเราสอนนักเรียนในชั้นเรียนเนี่ยคือถ้านักเรียนไม่เคารพครูแล้วเนี่ยมันทนกันยากเพราะนักเรียนก็ต้องรู้สึกดีต่อครูครูก็ต้องรู้สึกเมตตาอารีรอร่าต่อนักเรียนเป็นการมุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่กันครูนั้นก็ได้มีโอกาสในการ ให้ธรรมทานนักเรียนก็มีโอกาส ศ, ศึกษาเราเรียนเรียนรู้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจในสาขาวิชาการนั้นๆก็เรียกว่าเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลทั้งสองฝ่ายการอีกประการหนึ่งเรียกตามสิ่งที่เราให้ในที่บางแห่งเรียกว่าภาสถาน สายฐทานแล้วก็สามีทานแต่ในที่บางแห่งเนี่ยเรียกว่าหินาทานมชทิมาทานแล้วก็ปณิตาทานโดยความหมายก็คือกันหมายความหินาทานหรือทาตุานเนี่ยเป็นเรื่องของวัตถุทานนะฮะเป็นเรื่อ ง, องวัตถุทานแต่ว่าแยกออกไปเป็นสามระดับ รือถ้าสถานฤหิน า, านนั้นได้แก่ให้ของที่เลวว่าคือตัวเองก็ไม่บริโภคใช้สอยสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าก็ไปให้แก่คนอื่นก็ให้อย่างแกแกนไปตัวเองก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้สอยสิ่งเหล่านั้นหรือม่าอย่างนั้นก็เป็นการให้ในลักษณะตกเบ็ดคือบริจาคเพื่อหวังชื่อเสียงการยกย่องสรเสริญการได้ยศศักดิ์ชื่อเสียง การได้การยกย่องจากบุคคลทั้งหลายเนี่ยมันก็เหมือนกระตกเบ็ดคือมาความมาอ่อเหยื่อเพื่อจะได้ปลาที่ตัวโตวกว่าเหยื่อมันก็เล็กกว่าปลานะการทำทานในลักษณะนี้มันเป็นการทำด้วยโลภะแล้วสมมติว่าถ้าเราได้ตามที่เราอยากได้เช่นว่าบริจาคเงินจำนวนหนึ่งและได้เหรียญเหรียญหนึ่งเนี่ย เมื่อหลังเราก็บริจาคอีกแต่บริจาค้วยโลภะในเหรียญที่สูงขึ้นไปทีนี้ถ้าได้เราก็โลภต่อคืออยากได้เหรียญที่สูงขึ้นไปกว่านั้นดิถ้าไม่ได้ก็เกิดเป็นโทมนัสหรือเกิดโทสะเกิดโทสะในตัวคนเกิดโทมนัสคือผิดหวังในด้านจิตใจของตัวเองเพราะงั้นการให้ทานทั้ง อแนวเนี้ยเราจะเห็นว่าจิตใจมันไม่ค่อยบริสุทธิ์อะยังมีโลภะยังมีโทสะยังมีโสกะอยู่ตานประการต่อไปเรียกว่าสหายฐานคือการให้วัตถุที่ตนเองก็บริโภคอย่างนั้นน่ะใช้สอยอย่างนั้นหมายความว่าตนเองกินอยู่ใช้สอยบริโภคยังไงก็บริจาคอย่างนั้นไป ตามกําลังความสามารถของตนเองแต่ในกรณีนี้ต้องเข้าใจนะฮะว่าเราต้องมีวัตถุสามระดับไม่ใช่มีวัตถุระดับเดียวถ้ามีวัตถุระดับเดียวอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่ท่านอนาถบินดิกาเสฐีซึ่งเมื่อตอนที่ท่านยากจนลงท่านบอกว่าตอนนี้ก็ไม่สามารถให้ทานที่ประณีตได้ก็มีแต่ข้าวหากบ้างน้าผักดองบ้าง พระเจ้าก็ทรงแสดงให้เห็นว่าวัตถุจะประณีตหรือไม่ประณีตเนี่ยเขาเอาให้ใจมันประณีตก็แล้วกันทานั้นก็ชื่อว่าประนีตเพราะการจาแนกเป็นาธาตุฐ า, านสายฐานสามดิฐานหมายามความว่าของเรามีสามระดับมีระดับเลวระดับกลางระดับประณีตแต่เราให้ของระดับเลวซึ่งเราไม่ได้ใช้สอยก็ถือว่าเป็นาธาตุฐาน เมื่อก็ให้ของแก่ทาตุนะแกคนรับใช้แก่คนขอทานของก็ไม่ดีเดไม่มีราคาค่างวดอะไรก็ให้ไปแต่ถ้าหากว่าเราให้ของที่เราบริโภคใช้สอยบริโภคใช้สอยอยังไงก็ให้ไปอย่างนั้นหรือว่าไปแนวในการที่บริจาคเพื่อหวัง ให้อันภาพเป็นบุญกุศลให้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแก่ตนคือไม่ใช่เอาวัตถุแลกเปลี่ยนวัตถุแต่ต้องการเอาวัตถุนั้นเป็นเครื่องมือในการตกแต่งตกแต่งพระจ่าของตนให้ประณีตมากยิ่งขึ้นแนะนวัตฏะนิสิตะทานนี่าที่กล่าวไว้ในวันก่อนหมายความว่าอาศัยทานนบริจากนั่นเอง จะให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยในการได้มนุษย์สมบัติได้สวรรค์สมบัติในโอกาสต่อไปอย่างนี้เรียกว่าสหายทานคือเหมือนกับให้ของที่เพื่อนซึ่งเป็นที่รักใคร่สนิทสนมคุณเคยกันประการต่อไปก็เรียกปณิทานหรือว่าสามีทานนะสามีก็คือนายคือผู้เป็นใหญ่หรเราให้โดยความจำนึก ด้วยความเคารพด้วยความเทิดทูนด้วยความนับถือเป็นการให้วัตถุที่ประนีตแม้เราเองก็ไม่บริโภคใชจสอยแต่ก็มีพลังตรัทาอยากจะบริโภคอยากจะให้แก่บุคคลที่รับทานแสดงว่าเรามีความรู้สึกพิเศษต่อคนที่เราให้ทานคล้ายๆกับ คนเอาของถวายพระที่ตนเคารพนับถือให้พ่อแม่ของตัวเองให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือหรือแม้แต่ถวายแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นต้นเนียเห็นว่าของนั้นจะประณีตเพราะว่ามีความรู้สึกพักดีมีความรู้สึกศรัทธามีความรู้สึกเคารพนับถือต่อคนที่เราบริจาค แนวการบริจาคตรงนี้อีกในย่านหนึ่งก็คือหวังให้เป็นหุปภนิสัยปัจจัยหมรรคผลนิพพานในอนาคตการนะฮะายความวาต้องการจะให้พ้นจากกิเลสพ้นจากสังสารทุกข์หลุดพ้นจากอำนาจกิเลสหลุดพ้นจากอำนาจของสังสารทุกนี่ก็เป็นทานอีกชุดหนึ่งถึงถ้าเราดูแล้วก็คือลดความโลภความหลงนั่นเองแต่ว่า ลดความโลภได้ยิ่งหยอนไม่เท่ากันคือของที่เราไม่ใช่เนี่ยของเศษของเหลือใช้อะไรแต่ไรเนี่ยเราไม่มีความโลภอะไรใครมาเอาเสียได้ก็ยิ่งดีเพรเมื่อให้ของอย่างนั้นไปก็แสดงว่าลดความโลภได้น้อยลดความโล่งได้น้อยเมือเ่อกิเลสมันลดน้อยผลบุญผลกุศลก็ลดตามลงไปคือผลมันก็น้อยตามลงไป แต่การสามารถให้ของซึ่งเราบริโภคใช้สอยก็แสดงว่าเราก็หวงเราก็เสียดายของเหล่านั้นแต่การที่สามารถให้ได้นะก็หมายความว่าในลดความรู้ลงไปมากกว่ากลับแล้วตัวคนเราก็รู้สึกดีกว่าเก่าพอมาถึงปณิทานหรือาสามิธานเนี่ย ต่อผู้รับเราก็รู้สึกพิเศษรู้สึกเคารพที่ทูนรู้สึกจงรักภักดีรู้สึกสถทาเปี่ยมล้นแล้วก็ในวัตถุสิ่งของเราไม่เสียดายไม่หวงไม่หวงว่าของจะเสื่อมเสียไปสูญหายไปแต่มองเห็นว่าเป็นสมบัติที่ติดตัวจริงๆ แล้อย่างอื่นเราเอาติดตัวไปไม่ได้แต่ทรัพย์สินเงินทองที่บริจาคดีแล้วเนี่ยชื่อว่าเก็บสะสมไว้ดีแล้วชื่อว่าตั้งไว้ดีแล้วในวัตถุในบุคคลที่ควรแกาการบริจาคฐานเขาเรียกว่าทักกิณิยบุคคลในประการต่อไปเป็นแนววิถีชีวิตของบุคคลเราทั่วไปนี่แหละแต่ว่า เมื่อเป็นเจตนาที่เป็นกุศลก็สามารถทำให้การกระทำของเรานั้นก็เป็นบุญเป็นกุศลไปด้วยคือการให้ในแนวของการอนุเคราะห์เช่นการให้แก่บุตรแก่พัญญาแก่บุตรหลานแก่ญาติพี่น้องแก่เพื่อนฝูงอะไรต่างรเนี่ย มันเป็นการแสดงถึงน้ำใจที่รักเอื้ออาทรห่วงใหญ่ปรารถนาดีต่อบุคคลนั้นแต่เราต้งให้แก่คนที่พิการก็รต้องการแสดงความมีน้ำใจต่อเขาแสดงว่าจิตใจเราเรา ร, รู้รู้สึกต่อคนที่เราให้นะดีแต่รู้สึกเป็นมิตรธรรมดารู้สึกเป็นมิตรธรรมดา เป็นคนที่จะต้องแสดงความมีน้ำใจอบบอบมารีหรือเพื่อเผื่อแผ่ต่อกันประการต่อไปเป็นการสงเคราะห์ได้แก่ให้แก่คนที่อาจจะเป็นเพื่อนฝูงญาติพี่น้องแต่ว่าเดือดร้อนขาดแคลนก็มีปัญหาที่จะต้องช่วยเหลือกันเราก็แสดงความมีน้ำใจช่วยเหลือเขา สูงเคราะขาตามกําลังความสามารถอย่างที่ท่านทานัญชัยเศรษฐีได้สอนนางวิสาขาว่าจงให้แก่คนที่ให้อย่าให้แก่คนที่ไม่ให้จงให้ครั้งแก่แก่คนที่ให้และไม่ให้เนี่ยหมายความว่าจงให้แก่คนที่ให้ใครหยิบยืมเข้าของเงินทองไปแล้วก็ส่งคืนเนี่ยวันหลังก็ให้ก็ได้ อย่าให้แก่คนที่ไม่ให้หมาความบางคนบางคนนั่นหยิบยืมขออะไรไปแล้วก็ไม่คืนวันหลังก็จะให้แต่บรรดาพี่น้องเพื่อนฝูงซึ่งเขาขาดแคลนเขาเดือดร้อนเนี่ยที่จริงก็จะคืนหรือไม่คืนก็าตามเราอยู่ในฐานะที่จะสงเคราะห์ก็ได้ก็สงเคราะห์ก็ไปเป็นการขาจัดความทุกข์ความเดือดร้อนซึ่งเกิดขึ้นแก่ขาวให้บรรเทาบาบางลงไป พราแนวสงเคราะห์นั้นก็คือแนวเมตตากรุณาเป็นการหลั่งความรู้สึกที่ดีออกมาอย่างที่ราชการที่หกส่งนิพนไว้ว่าอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับข็อหาไม่หลั่งมาเองเหมือนฝนนั้นชื่นใจจะคว้าควาสุราไหลสู่แดงดินเป็นความดีสงชั้นพรันปลื้มใจทั้งผู้ให้และผู้รับสมทบ ประการต่อไปเป็นการให้เพื่อบูชาคุณความดีของบุคคลหล่อดนั้นจึงก็หมายความว่าท่านผู้นั้นเน่ยมีคุณอุปการต่อเราหรือว่าเป็นคนดีที่สังคมให้การยอมรับยกย่องนับถือบูชาเราก็สรรเมื่อคุณความดีของท่านต้องการจะบูชาคุณความดีของท่าน จะให้แก่มันดาบิดาให้แก่ครูอาจารย์ให้แก่ปู่ย่าตายายลงป้าน้าอาทั้งหลายเนี่ยไม่ว่ามาญาติผู้ใหญ่ภายในสกุลทั้งหลายเนี่ยเราได้รับอุปการะสมครอนุ่ครอจากพ่านมาเราก็ปฏิการรักคือตอบแทนบูชาความดีของท่านตัวนี้เป็นสำนึกกะตัญญูกตเวทีแต่บางอย่างมันเป็นสานึกที่ก่อบดยศรัทธา คือมีศรัทธามีความเชื่อความเลื่อมใสต่อท่านตล่อ น, นั้นแล้วก็ปรารถนาที่จะบูชาความดีของทาอ่านเป็นการให้ทานแก่พระสงฆ์หรือการทนุบำรุงชาติบ้านเมืองการให้แก่ถวายแก่สถาบันพระมหากษาตัตริย์เป็นการสำนึกถึงความดีของท่าน ที่มีต่อเรามีต่อโลกมีต่อสังคมแต่การให้ทั้งหมดเนี่ยถ้าเรากล่าวถึงโดยสรุปแล้วเนี่ยคือมีความสุขใจเป็นผลสบายใจที่ได้ทำเป็นภารกิจที่เราทำก็เราคนเดียวอะคนอื่นจะรู้สึกยังไงเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าเราเองเป็นสุข ที่ได้อนุเคราะห์ต่อบุคคลที่ควรแก่การอนุเคราะห์ที่ได้สงเคราะห์คนที่ควรแก่การสงเคราะห์ที่ได้บูชาคุณบุคคลบุคคลที่ควรแก่การบูชาตัวนี้ในแง่ของความเป็นบุญกุศลมันมีฐานะเป็นอนุกาตม่หนีกติตามเราไปในสัมป ร, ะะราชพยภาถากนาได้ทั้งนั้น การให้ทานในทั้งสามแนวนี้จึงที่จริงก็คือลดโรคกวดหลงอีกนั่นแหละคือเป็นกฎเกณฑ์ธรรมดาในการลดโรคกวดหลงเพราถ้าเรากล่าวโดยสรุปอาการปฏิบัติความดีทั้งหลายนั้นก็คือเพิ่มความไม่โลคไม่กวดไม่หลงหรือลดความโลคปวดหลงนั่นเองในการให้ทานเนี่ย ในแนวตรงนี้เป็นปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ระหว่างเราก็บบุกคนเดี่วเพราะนานิสุ์ที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้มันก็ชัดเจนนะว่าผู้ให้ทานเนี่ยย่อมเป็นที่รักของผู้รับทานกิติคุณอันดีงามของบุคคลผู้ให้ทานจะปรากฏเฟื่องฟุง้งกระจายกระจอกระจายไปในที่ต่งตางๆเป็นที่ยอมรับยกย่องของบุคคลทั้งหลาย และสัตบุตรเมื่อจะสงเคราะห์ก็สงเคราะห์ผู้ที่ให้ทานเมื่อจะเข้าไปหาก็เข้าหาบุคคลผู้ที่ให้ทานแล้วคนที่ให้ทานนั้นจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีความองอาจกล้าหาญไม่ขั้นข้ามขำเกรงในสมาคมทั้งหลายคือจะเข้าไปในสมาคมใดก็มีความเชื่อมัน่น มีความมั่นใจว่าใครไม่สามารถจะโจดทวงหรือกระซิบกระซาบหรือมองด้วยความเย่ะเย้ยทางต่างได้แล้วก็คนที่ให้ฐานนั้นจะไม่หลงตายคือจะตายอย่างมีสติเป็นกระบวนการทางจิตที่พูดถึงกรรมารมกามนิมิตารม์กตินิมิตารมณ์กรรมารมณก็คือกรรมที่จิตปเป็นเหนียวนึก กรมนิมิตตารมณ์ก็คือยึดมองกรรมนั้นเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายแต่คตินิมิตอารมณ์ก็คือคติที่จะไปอุบัติโดยแรงส่งของกุศลกรรมเหล่านั้นนาใม้เกิดปีติปราโมทขึ้นภายในใจของบุคคลนั้นท า, านบัณฑิตจึงยกย่องสรรเสริญแต่ว่าต้องมีปัญญาข้ากํากับอยู่เสมอทั้งฟังทั้งห